ในโลกนี้เรามีแนวความคิดว่าอะไรมีสาระที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็อยู่ส่วนตรงนั้นแหละเนี่ยนะถ้าบอกว่าโอโหกามทั้งหลายเนี่ยโลกที่สุดประเสริฐที่สุดนี่แสดงว่าตามพุทธพจน์ที่ว่าเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วแต่ทีนี้ว่าถามว่าเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นว่าศีล ส, สมาธิปัญญาที่เกิดในจิตของเราทั้งหลายได้นะั่นแหละนั่นแหละคือสาระ ถ้าผู้ใดเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสาระก็แสดงว่าจูนตัวเองเข้าเข้ากับตรงกับพระพุทธเจ้าแล้วเพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงแสดงธรรมะอันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคืออริยมรรคที่สุดคือพระนิพพานแสดงว่าจูนความรู้สึกนึกคิดตามคําสอนน่ะแสดงว่าเป็นเครื่องรับได้เป็นอย่างดีล้เป็นเครื่องรับวิทยุที่ดีแล้วที่ที่ทพระ อ, องค์ถ่ายทอดมาแล้วรับได้ แต่ถ้าหากว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าก็น่าเห็นใจเหมือนกันมาไม่ต้องห่วงกรรมกรรมเนี่ยไม่เคยลืมใครนะที่ดูนะั้นนั่งอยู่อย่างนี้กรรมไม่ลืมเรานะยังให้โสตะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณเนี่ยนะวิบากและกรรมเนี่ยกรรมไม่เคยลืมแล้วก็ทํากรรมใหม่ด้วยนะแต่ทีนี้ว่าในบรรดากรรมเหล่านั้นเมื่อไร่ที่กรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่จะเป็นไปกับคําสอน ทีนี้เมื่อกรรมทั้งสามเหล่านี้ที่เป็นไปกับคําสอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าบําเพ็ญศิกขาและบําเพ็ญสิกขาคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาในบรรดาศิกขาสามเหล่านี้เราเคยคิดไหมว่าจะศึกษาเรียนรู้การใช้พฤติกรรมใหม่ตามคําสอนเนี่ยนะใช้พฤติกรรมใหม่ตามคําสอนและวจีกรรมคือคําพูดใหม่ ตามคำสอนจะดำเนินพฤติกรรมคำพูดไม่ให้ขัดกับคำสอนเลยถามว่านี่ที่พูดมานี่มันเข้ากับมักมั่มัหมไอความเห็นที่ตรงตามแนวคำสอนอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยนะความนึกคิดที่เป็นไปกับคำสอนบ่อยๆ อ, อันนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะในการใช้คำพูดเป็นสัมมาวาจาและก็ การดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นสัมมาอาชีวะก็จะดำเนินไปในลักษณะนี้ก่อนทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ดำเนินไปด้วยความเพียรด้วยความพยายามตามคำสอนหมดเลยอันนั้นเป็นสัมมาวายามะเนี่ยนะทีนี้ทำด้วยความไม่ประมาททำด้วยความไม่หลงลืมรอบรู้คติแห่งสิ่งที่ทำทั้งหมดเลยรอบรู้แห่งคติที่สิ่งที่ทำคำที่พูดจิตที่คิดเนี่ยนะเป็นไปอย่างไรเนี่ยนะรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นรู้คติของสิ่งนั้น อย่างดีนี่เขาเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความฟาุ้งซ่านอันนั้นก็เป็นสัมมาวายามะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทางอีกอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นต่อไปความสามารถในการมองชีวิตจะมองออกมากขึ้นแล้วอย่างที่ผู้การกล่าวว่าชีวิตเนี่ยมาอย่างไงใช่ที่ที่เราเรียกเนะี่ยมาอย่างไงถามว่าชีวิตในที่นี้คืออะไรก่อนเดี๋ยนะ เราก็บอกเออใครที่เรียนอภิธรรมมาก็บอกชีวิตรูปกับชีวิตตานามชีวิตรูปเป็นรูปประคันชีวิตนามนามที่หล่อเลี้ยงนามมาขันเพราะฉะนั้นนามมาขันก็มีสี่คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในนามมาขันสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะก็บอกว่าแต่ละอย่างอวิชชาเกิดนะขันเหล่านี้จึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีอวิชชามา ถ้าเห็นอริยสัจมาก่อนนะชาติอันนี้จะไม่มีชราอันนี้ก็จะไม่มีพยาธิอันนี้ก็จะไม่มีเนี่ยนะแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เรียกวมรณะมรณะก็จกไม่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่อาศัยสิ่งคือคือขันห้าเหล่านี้ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตต่อไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้จกไม่มีเป็นอันขาดถ้าไม่มีอวิชชาตันหกรรมในอดีตมา เพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญของชีวิตในอดีตของเราคื อ, อวิชาตันหาแล ะ, และกรรมเจริญเติบโตด้วยอาหารเจริญเติบโตด้วยอาหารแหล่งอาหารแต่ละคนไม่เหมือนกันนะลองมานึกเมื่อเช้าบ้างนึ ก, น, ก, น, ก, น, กนึกถึงสมัยก่อนไปอยู่ในในในป่าในป่าในตอนไม่บวดนะนะเช้ามาเรานึกเห็ดมันอยู่ขอ น, นั้น นั่นรู้ว่า เ, เห็ดมันต้องอยู่ขอนนั้นปลานี่เราไปวางเบ็ดไว้แล้ว <c oughs> นั่นแหละอาหาราันหล่อเลี้ยงการัชกายกายที่เกิดจากธุรีนี่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาางนก็นอนะอวิชาตันหกรรมในอดีตนี่นะทำให้เกิดมาครับว่าถ้าเกิดมาในลักษณะนี้นะถ้าตามพุทธพจน์มีบุคคลอยู่สี่ประเภทตมโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปตมัมโมโชติปรายโนมืดมาแล้วก็สว่างไป ทีนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าโชติตัมมะปรายโนเกิดมาสว่างมาแต่ก็มืดไปบางประเภทก็เรียกว่าโชติโชติปรายโนสว่างมาแล้วก็สว่างไปไอคนที่ว่าเกิดมาเนี่ยมืดมานี่หมายเขามาเกิดในตระกูลไม่ดีรูปร่างกายไม่ดีสิ่งแวดล้อมทักทุกอย่างไม่ดีแล้วมาก่อกรรมทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเองเนี่ยนะเรียกว่ามืดมา เกิดมาตระกูลไม่ดีไอสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทับถมมาเนั่นแหละเ้าเรียกว่ามืดมาก่อนแต่ว่าไม่ดําเนินชีวิตด้วยความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ย น, นะอันนี้เขาเรียกว่าสว่างไปแต่ถ้าดําเนินชีวิตด้วยความชั่วทางกายวาจาใจนี่แสดงว่ามืดต่อไปอีกเพราะดำเนินชีวิตด้วยอํานาจอาวิชชาต่อไปอีกนี่ของเราก็มาคิดว่าเออเราช่างมันมืดมาเพราะไอตอนมาเนี่ยนึกไม่ออกว่ามายังไงใช่ไหมเพราะอาวิชชามันพามา แต่แต่ปรารถนาสว่างไปได้ไหมล่ะได้เพราะเราปรารถนาที่จะสมาทานใช้ชีวิตตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของเราจริงๆเนี่ยนะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราจริงๆเป็นผู้ที่เราต้องดําเนินตามจริงๆเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเนี่ยนะโลกไม่ไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใคร ไม่เทษเราทั them, ror, uh ้งหลายเนี่ยนะถ้าอ <pessoa> ุปาทานขันอ <gr dormir. S 1> ันนี้เนี่ยนะไม่มีที่พึ่งและก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใครเนี่ยนะเนี่ยเช่นจักรโคเนี่ยมีที่พึ่งไหมไม่มีที่พึ่งแล้วจักรโคก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใครเนี่ยนะรูปเสียงเกลี่นรถทั้งหลายแหละก็เหมือนกันทั้งหมดไม่มีที่พึ่งและไม่เป็นที่พึ่งของใครแล้วโลกเหล่านี้พระองค์บอกว่าร้อนระอุหมด ร้อนระอุด้วยไฟ11อกองเนี่ยแผดเผาหมดในครังนันเลยพันโลกไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใครพัะเราก็เอาพระธรรมคำสอนนี่แหละมาช่วยที่จะดับสิ่งเหล่านี้อันั้นพระธรรมคำสอนที่ที่น่าศึกษา ม, มากก็คือเรามีชีวิตเกิดมาด้วยอวิชชาถามว่าเราดำเนินชีวิตต่อไปด้วยอวิชชาไหมชีวิตเกิดมาด้วยตัณหา แล้วจะดำเนินชีวิตไปด้วยตัณหาต่อไปอีกไหมชีวิตเกิดมาด้วยกรรมเกิดมาด้วยกรรมแล้วจกดำเนินชีวิตต่อไปด้วยกรรมอีกไหมเนี่ยนะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเสาะหาสะแสวงหาเมื่อกี้คุณชูหม่อมเอาประไตรปิฎกเล่มไปให้ดูเห็นปาสระไอปาสรสิสูตรที่พระองค์กล่าวถึงประวัติของพระองค์ช่วงหนึ่งว่าตัวเราเองนะ เป็นผู้ที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะเราจักมาแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้ามองเป็นธรรมดาอีกหรืออยากกันนั้นเลยตัวเราเองนี่เป็นผู้ที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาควรแล้วที่เราจะเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เศร้ามอง ไ, นะไม่คับแค้นเป็นธรรมดาและพระองค์ก็สอนที่สุดทั้งหลายว่าควรแล้วที่เธอทั้งหลายควรจะดําเนินชีวิตในลักษณะนี้ควรจะดําเนินชีวิตในลักษณะของพระองค์ว่า ง, งั้นเถิดคือดําเนินชีวิตไปเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายเป็นต้นเนี่ยนะเอาเมื่อชีวิตดําเนินมาจากตันหาอวิชากรรมเป็นต้นทําให้ชีวิตดําเนินไปในลักษณะเกิดแก่เจ็บตายทํำยังไงจำจึงจะมีชีวิตเพื่อที่จะถอนอวิชชาออก ชีวิตที่จะถอนตันหาชีวิตที่จะถอนอุปาทานเมื่อถอนตันหาอาวิชชาและอุปาทานได้ทั้งหมดคนเหล่านั้นก็พน้นจากชาติชาราและมรณะได้จริงๆเนี่ยนะซึ่งจากผู้ที่ดำเนินชีวิตเพื่อพน้นจากชาติชารามรณะจริงๆเลยเนี่ยนะก็เหมือนอย่างที่ท่านพโมกคราชเนี่ยนะตั้งกับปารบตั้งกัหลายวันมาแล้วว่าพโมกคราชคือพระ คือมานพคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของพราหมภาวรีที่มีความสนใจในเรื่องชีวิตเนี่ยมากเนี่ยนะจนถึงก็ถามว่าดําเนินชีวิตยังไงถึว่ามัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นเนี่ยนะจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยหรือว่าจะดําเนินชีวิตไปด้วยยังไงเพราะว่าชีวิตของผู้ที่ดําเนินไปด้วยปัญญาเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยนะทีนี้จะมีปัญญาพิจารณาโลกอย่างไรเนี่ยนะมัจจุราชจึงจักมองไม่ไม่เห็นเนี่ยนะ ซึ่งตรงนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันสัมพันธ์นกันกับเรื่องของไตรสาระคมด้วยเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยและเป็นเรื่องที่เราจะเป็นข้อปฏิบัติของเราทั้งหลายด้วยถ้าเราทั้งหลายมีพระธรรมคำสอนเป็นสาระจริงๆเราจะมองเห็นว่าคำสอนนี้ก็เป็นคำสอนอีกส่วนหนึ่งช่วยให้เราพ้นจากวัตตะได้เนี่ยนะนี่เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ทั้งหมดแล้วมีรถเดียวคือวิมุตติรถวันวันอาทิตย์ที่แล้วยอมที่นั่งอยู่ด้านขวา ม, มือดมานะซ้ายมือของท่านทั้งหลายเขาเอาเรื่องปฐมนิพานสูตรว่าเออท่านไปดูข้อความนี้หน่อยว่าง น, นนะและช่วยเอามาเล่าในวันอาทิตย์หน้าให้ฟังหน่อยว่าไง น, นนะมันมีอยู่สี่สูตรเรื่องนิพันธเนี่ยชื่อว่าสูตรนิพาน์สูตรอะไรว่า้ง ปธรมนิพานสูตรทุติยะตะติยะจตุธานิพานสูตรมีอยู่สสูตรด้วยกันะนนะในนิพานสูตรเหล่านั้นเนี่ยนะก็พระ อ, องค์ก่อนที่จะตรัสถึงพระนิพานเหล่านี้เนี่ยนะพระ อ, องค์ได้กล่าวถึงอมตะก่อนเนี่ยนะคือความไม่ตายเนี่ยนะกล่าวถึงอมตะกล่าวถึงอสังขตะกล่าวถึงวิราคะกล่าวถึงความประนีตความสงบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นชื่อของนิพานนะ ความประเนีดความสงบความไม่มีกิเลสความไม่เศร้ามองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีพยาธิไม่เศร้าโศกเนี่ยศัพท์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นชื่อที่ใช้แทนนิพพานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝักใฝ่ว่าทำยังไงจึงจะเดิมเนินชีวิตให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายให้เข้าถึงความไม่แก่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยนะ ที่จะเข้าถึงอมตะได้จริงๆเนี่ยนะจะมองเห็นโลกเห็นชีวิตในลักษณะไหนจริงๆเพราะตรงนี้เป็นปัญหาที่ถามในลักษณะยกสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นขึ้นเป็นประธานเพราะมองเห็นคำว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญามองเห็นยังไงจึงจะข้ามพ้นหรือว่ามองยังไงมองโลกยังไงจึงจะความตายมองไม่เห็นมัจจุราชมองไม่เห็นเนี่ยนะพระองค์ก็สอนอนัตตานุปัสนาเลย เธอมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างนะหรือมองเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์นะเมื่อเธอมองเห็นโลกทั้งหมดโดยความเป็นสองมีสติในการทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิได้หมดเนี่นะมัจจุราชก็จะไม่เห็นเธอหรอกเหมือนกันถ้าดําเนินชีวิตไปในลักษณะนี้ได้นี่คือเป็นการดําเนินชีวิตด้วยอธิปัญญาสิกขาจริงๆเห็นไหมดำเนินชีวิตมองเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์โลกแปลว่าสิ่งที่จะต้อง แตกสลายไปสิ่งที่จะต้องแตกทำลายไปโลกมีเท่าไหร่เห็นหโลกคือขันธานั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไร่ที่เราทั้งหลายมองเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ของว่างอันนี้เรียกว่าดำเนินชีวิตด้วยอำนาจตีระปริญญาหรือปะหานะปริญญาดาเนินชีวิตด้วยอานาจอนัตตานุปัสนาเป็นต้นนั่นเอง ด้วยการตามมองเห็นโลกเห็นชีวิตในลักษณะนี้คนเหล่านั้นก็จะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนัตตานุปัสสนานั้นเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อเพื่อพระนิพพานเมื่อกี้นี้กล่าวถึงเรื่องที่ว่านิพพานนิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานแล้วพระองค์ก็ตัดหนทางหรือข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานหนทางหรือข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเนี่ยนะ คืออะไรนะหนทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อใหถึงนิพพานเนี่ยคืออะไรอะไรนะี่ยเขาบอกว่าในบรรดาที่ที่พระองค์ตรัสว่าหนทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อใหเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยนะมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาสามารถขยาย ทางก็คือมรรคมีองแปดนะนับหนึ่งก็คือมรรคมีองแปดนั่นแหละแต่ทําไมเป็นพระไตรปิฎกแล้วมันขัดกันไหมล่ะ ว, ว่าทางเดียวแล้วทาไมจึงเป็นพระไตรปิฎกอะ่ะทำไมพระไตรปิฎกจึงมากมายอะ่ะถ้ามีทางเดียว <c oughs> พระพุทธเจ้าเป็นผู้ธรรมราชายักย้ายแจกแจงวิธีปฏิบัติในหนทางอันนั้นตามอัธยาศัยของผู้ฟังนั่นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นทางเพื่อบรรุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะ บางบางแห่งพระ อ, องค์เน้นกายคตาสติเน้นกายคตาสติกายคตาสติเนี่ยนะท่าสติประธานสูตรมี14บสีบ่ัพพะถ้าตามนัยยะอื่นๆก็มีอีกเนี่ยนะหรือว่ากายคตาสติสติประธานสี่สัมมาประธานสีอิทิบาสีอินทรียห้าพละห้าโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ส ม, มะถะวิปัสนาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือหนทางเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานทั้งหมดเลย พระองค์ยักย้ายโดยนัยยะต่างๆนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนี้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้นะท่านทั้งหลายสามารถดูได้ในอสังคตะสังยุตสังยุงยตตนิกายสลา ย, ยตนะวัคนะชื่อว่าอสังคตะสังยุตพระองค์แสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานโดยหลายนัยยะโดยหลายวิธีเหมือนกันหรือถ้าหากว่ากล่าวตามอัตถกถาอังคุตรนิกายเอกนิบาตอัชราตวรคเนี่ยนะอัชราตวรกวักว่าด้วยการดีดนิ้วมือเนี่ยกล่าวว่า พระนิพพานนั้นเหมือนกับทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเกินถามว่าทะเลที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะจะต้องไปลงที่สมุทรปาการอย่างเดียวหรือเปล่าทะเลเนี่ยเีย น, นะไปลงที่ไหนได้บ้างทะเล ท, ที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นฝั่งทะเลอ่ะชั้ น, นก็ดีเนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะเป็นคำสอนที่เข้าสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวคือพระนิพพานทั้งหมด มันจะแสดงโดยนิย่แห่งสติปทานสีก็ได้สติปทานอิทิบาทอินทรพละโพชงอริยมรรคประกอบไปด้วยองแปลหรือสมถาวิปัสสนาก็ได้แสดงโดยนิย่ใดๆก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าน้อมไปที่เดียวคืออมตานิพานเหมือนแม่น้ําทั้งห้าสายคือแม่น้ําคงคา ย, ยมุนาอาจิระวดีสระพูแม่น้ํามหีเป็นต้นเนี่ยนะแม่น้ําเหล่านั้นเนี่ยบาไปสู่ทะเลอย่างเดียว คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆสูตรน้อมอัธยาสาัยของสัตว์ไปเพื่อสิ่งเดียวคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราต้องในฐานะที่ยอมรับพระธรรมคำสอนเป็นสัตว์